วิธีแก่จิตของคนคนนี้ก็คือต้องให้เขายอมรับความจริงให้ได้ว่าลูกตายแล้วเพราะถ้าตาบดทํทำตรงนี้ไม่ได้นะต่อให้คน น, นั้นน่ยยังหายใจอยู่กินอยู่หลับนอนอะไรได้อยู่นะแต่เขาก็จะฝังไอ้ความคิดเนี้ยก็ยังโดนหลอนน่ะเขาเรียกว่าหลอนอยู่ตลอดเวลามันก็ยังเศร้าโศกยังกำมึงหายังคิดถึงยังอะไรอาวรซึมบางคนซึมเศร้าอยู่อย่างนั้นแหละ มันจะแก้ไม่ได้เลยอันนี้ผู้เจ้าเนี่ยท่านก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าพูด ธ, ธรรมดาเนี่ยแก้จิตนางกิสาโคตมีนี้ไม่ได้มันก็เลยต้องให้เลยต้องให้ไปเจอของจริงตามความเป็นจริงเองไปเจอทุกบ้านบ้านนี้ก็บอกว่าเอาพ่อตายไปเจอบ้านนั้นเอาแม่ตายไปเจอบ้านนี้พี่ตายน้องตายเพื่อนตายอะไรในที่สุดก็เลยเป็นคาตอบตอบได้ด้วยตัวเองโดยที่ ไม่ต้องมีคนอื่นตอบให้แล้วในที่สุดตัวเองตอบเองว่าครอบครัวของตัวเองก็ต้องมีคนตายอย่างนี้ไม่พ้นเลยพอเมื่อตอบได้อย่างนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อยอมรับความเป็นจริงได้ความทุกข์นั้นจะลดลงฮอะคนที่หนีความจริงเท่านั้นน่ะความทุกข์มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยฮอนหลายคนที่บางทีเนี่ยหนังละครอะไรชอบสร้างให้ให้แบบประเภทแก้ปัญหาโดย พยายามหนีความเป็นจริงไม่ใช่หรอกอนนั้นมันแค่กบเกลื่อนมันแค่เอามาปิดบงังแค่เอามาอำพรางแต่ความเป็นจริงแล้วคนนั้นในใจลึกๆรู้อยู่ว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้ในใ จ, จะไม่มีวันหายเลยยิ่งเอาอะไรมากบเอาอะไรมาปิดเนี่ยก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยรู้อยู่ตลอดเวลา ถ้าวันไหนเนี่ยสภาวะจิตไม่ดีอารมณ์จิตไม่ดีไอ้ที่กดๆเอาไว้เนี่ย ห, ห, ห ม, มักหมักหมมมาไว้โอ้โหคราวนี้แหละมันทะลุทะลวงขึ้นมาเนี่ยบ้าบ้าเอาเลยนะจะกุ้มคลั่งเลยนะเพราะว่ามันกดดันเอาไว้แต่ตอนนี้พอมันมันความจริงมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่ตัวเองยอมรับไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่บางทีพวกฟี่เป็นบ้าหรือว่าเสียสติไปเนี่ย คือมันปิดกั้นความเป็นจริงมันจะหลบไปอยู่ในอีกพบหนึ่งที่ที่ตัวเองอยากจะคิดเพราะว่าถ้าคิดแล้วมันจะเป็นสุขแต่ถ้ารับความจริงแล้วมันจะทุกข์คือคือในความรู้สึกของเขาเพราะในที่สุดเขาก็เลยจะพยายามไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับแต่ตอนนี้พอความจริงมันโผล่ขึ้นมาใช่ั้มมันไม่รับไม่ได้มันมันมันชัดชัดอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นมันจะโอ้โหกดดันอย่างหนักมากเลย เหมือนกับคนกลัวตายเนี่ยพูดง่คุณไปสังเกตดูนะใครที่ยิ่งกลัวตายยิ่งกลัวตายกลัวตายโอ้โหเวลาใกล้จะตายนี่หัวอาการทุรนทุลายหนักมากเลยแต่ใครที่กล้ายอมรับคัามเป็นจริงว่าถ้าเราถึงเวลาเราก็ต้องตายแล้วคุณก็ฝึกทำใจทำใจคุณไว้นะมาพร้อมที่จะพัดพลาคานคนประเภทนี้พอใกล้เวลาจะตายจริงสบายมากง่ายมาก ตายก็แบบธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้ไปทุรนทุรายไม่ไปทุกข์ร้อนอะไรเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าความสังคัญมันอยู่ที่การยอมรับความเป็นจริงได้ไม่ปฏิเสธความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนที่ยอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยมันก็อะไรมีทุกข์มีปัญหามีอะไรมันก็ปรับแก้ไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่แก้ไปโดยที่เรียกว่าหลอกตัวเองหรือว่าฝืนตัวเองหรือว่าหนีปัญหา นะถ้าใครเข้าใจอันเนี้ยสภาวะจิตพวกนี้ได้คุณจะปรับแก้ได้เนี่ยเหมือนตอ น, น, นตเนี้ยนางกิสาโคตมีนะพอไปถามทุกบ้านเสร็จแล้วที่เข้าใจแล้วเริ่มมีสัมมาทิฐิเริ่มมีความเข้าใจยอมรับความเป็นจริงเพราะพอยอมรับความเป็นจริงปั๊บนี่รู้เลยทันทีเลยว่าออันนี้เป็นวิธีการที่พระเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ตัวเองเนี่ยยอมรับความเป็นจริงนี้ได้ ดังนั้นนานจึงนําศพของรูปชายไปฝังที่ป่าช้าแล้วกลับไปเข้าเฝ้าพระศาสดาพระองค์ผู้มีกระแสเสียงอันไพเราะทอดพระเนตรเห็นนางกิสาโคตมีเข้ามาได้ตรัสสอนว่าความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของผู้ที่พิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมไปประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งร้อยปี ของผู้ที่ไม่ได้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปพรเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ารู้เลยคือพูดให้ฟังเลยว่าเนี่ยต่อให้บางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีเลยก็ตามแต่ไม่รู้สัจจะเนี่ยไม่รู้ความเป็นจริงกลัวนั่นกลัวนี่กลัวความตายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวอะไรเพราะ้อย่างเนี้ยถ้าอยู่ไปอย่างเนี้ยบอกว่าเนี่ยไม่ประเสริฐหรือว่าพูดง่ายไม่มีความสุข เท่าคนที่รู้ความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงของสัจจะของชีวิตได้เนี่ยนะมีชีวิตอยู่แค่วันเดียวเนี่ยดีกว่าคนอยู่ร้อยปีแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็มัวกลัวมัวทุกทรมานอยู่อย่างนั้นเพราะว่าพอคนที่รู้ความจริงรับความจริงได้แล้วทุกนี่มันจะคลายลงไปเลยมันจะซาลงไปเลยทันทีเลยเท่าที่คนนั้นจะมีสำมาทิฏฐิได้มากน้อยแค่ไหนนะ นะผู้เจ้าท่านก็เลยสอนบอกว่าอนิจจาอนิจจตาธรรมอนิจจังนั่นเองนะอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะผู้เจ้าท่านก็บอกเนี่ยความไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่ทำแค่ชาวบ้านไม่ใช่ธรรมะแค่ชาวนิคมไม่ใช่ธรรมะแค่สกุลเดียวแต่เป็นธรรมะสาหรับชาวโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลก ไม่ใช่คือคืออานิจจะเนี่ยอานิจจังเนี่ยคือคื อ, ค, อความตายเนี่ยใช่ไห ม, มเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดกับใครก็ได้นะถ้าให้รู้ว่าเนี่ยต้องหัดยอมรับความเป็นจริงได้ว่ามันไม่เที่ยงนะใครจะไปรู้อ่ะลูกอาจจะตายก่อนพ่อแม่ก็ได้แต่ที่แน่นอนคือความตายมันแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครเอ่อรู้อย่างเนี้ยเข้าใจอย่างเนี้ยท่านบอกว่าเนี่ยธรรมะอย่างเนี้ยไม่ใช่แค่ชาวโลกนะรวมไปทั้ง ชาวเทวดาด้วยคือเทวโลกหมายความว่าไงไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดามนุษย์นี่แปลว่าผู้ประเสริฐส่วนเทวดาแปลว่า อ, อผู้ที่มีจิตใจสูงนะมนุษย์นี่ผู้ที่มีใจประเสริฐที่พร้อมที่จะรับรู้หรือศึกษาธรรมะแต่ผู้ที่เป็นเทวดาแล้วเนี่ยเป็นอุบัติเทพนะเป็นผู้ที่มีจิตที่เป็นพูดง่ายว่าอะไรอะ่ะ สูงละปฏิบัติธรรมเริ่มมีมากผลเริ่มมีอะไรเข้ามานี่เนี่ยอันนีอนนจังเนี่ยก็เป็นทั้งของมนุษย์และของเทวดาที่จะต้องเรียนรู้แล้วจะต้องเข้าใจให้ได้นางกิสาโคตมีได้ฟังธรรมเหล่านี้แล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมอันหมดจดวิเศษรู้แจ้งในสัทธธรรมจึงขอบวชในพระพุทธศาสนาทันทีเลย ที่แสดงว่ามีปัญญานะเพียง แ, แค่ฟังแค่นี้ก็เข้าใจแล้วไหนใครเข้าใจแล้วบ้าง <c oughs> อย่าว่าแต่พวกกุลเลยอาตมาก็ว่าแหมหลายปีแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยังไม่บรรลุสถทีนะบนรรลุในส่วนที่ที่อะไรอะเราฝึกฝนเราปฏิบัติมาได้นะแต่อีที่สูงขึ้นสูงขึ้นสขึ้ น, นก็รู้นะเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกก็อ่าน ศึกษาก็ศึกษาแต่มันเข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆนี่มันไม่ง่ายเลยเผลอเมื่มอไหร่ก็เดี๋ยวกิเล่เก่าๆก็มาสะ ก, กิดอีกและโอ้มันไม่ง่ายจริงๆคุณยิ่งปฏิบัติทำนานปีมากปีแล้วคุณยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่นะคุณถึงจะเข้าถึงคุณถึงจะรู้ว่าโอ้โหยิ่งสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นมันยิ่งยากนะแต่คําว่ายากไม่ได้ไหมายความว่ามันหนักเหนื่อยนะ จริงๆแล้วมันเบาขึ้นแต่มันยากขึ้นเบาเนี่ยมันเบาพาละเบาไออารมณ์ความรู้สึกก็เพราะมันเบาขึ้นแหละมันถึงยากขึ้นกูรู้ไหมเพราะมันสบายขึ้นอะไอสบายขึ้นสบายขึ้นเนี่ยนะมันชักบางทีมันจะติดแป้นมันสบายขึ้นเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเอาไม่ต้องอื่นกลยอะอย่างอาตมาเนี่ยทุกวันนี้ไม่ต้องไปห่วงเรื่อง ที่อยู่ <Ừ. S 1> ที่กินที่นอนอะไรเนี่ยอุยสบายแต่สบายแบบนี้มันทำให้บางทีมันชักจะเพลิๆเพลิพพนๆ น, น, นะบางทีจะมานึกตั้งตนบงความลำบากหรือพยายามที่จะอะไรอะ่ะเข้าสู่ผู้คนน่มีผัสสะมีอะไรที่จะเรียนรู้แล้วก็ดึงกิเลสไอ้ตัวที่เรายังซุกสุซ่อนซ่อนเนี่ย ดึงออกมาอีกมันไม่อยากนะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวลาบากก็ <c oughs> ถ้าถ้าอย่างเงี้ยเราปัดปัดป้องๆไม่ให้ต้องเจอภาษาอะไรนะสบายแล้วที่แค่นี้นะคุณอุ้ยสบายมากมากเลยนี่แหละเนี่ยแหละที่บอกว่ามันจะยากขึ้นีตรงเนี้ยเพราะมันสบายขึ้นต น, นเองมันสบายไม่ใช่สบายแบบโลกโลกนะสบายแบบโลกกุตละเนี่ยแลหละโอ้ยิงสบายแบบโลกกุตละนี่ มันมันมันตัดออกไปเรื่อยนะไ อ, ไอ้ยิ่งปัจจัยสี่นี่มันตัดออกไปจนน้อยลงน้อยลงเพราะเรื่องปัจจัยสีนี่ง่ายเลยล่ะคราวนี้ง่ายมาก อ, าอะไรนะอาหาราที่อยู่อาศัย เ, เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ยารักษาโรคโอ้โหสบายมากง่ายมากสำหรับนักบวชแต่มันยากตรงบอกแล้วคราวนี้เรื่องอัตตามาณนะนะไอ้ที่มัน แฝ ง, งอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะความอยากจะเป็นเป็นเทวดาชั้นไหนชั้นไห น, นเนี่ยเนี่ยชั้นดุสิตมั่งชั้นนิมมานารดีมั่งชั้นวสวรตีมั่งไม่รู้รู้เปล่านี่พูดไปแบบเนี้ยคือแล้วแต่แหละคุณจะเป็นเทวดาชั้นไหนอ่ะถ้าพูดถ้าพูดเป็นมรรคผลนะคุณได้แค่ฐานโสดาบันเนี่ยสมมติคุณเป็นเทวดาชั้น ฐานโสดาบันโหคุณสบายขึ้นมาขนาดอย่านี้นนะแต่ก่อนเคยมีใบมุกเคยโอ้โหเหน็ดเหนือ่อยยุ่งยากลําบากต่างๆพอคุณได้แค่ฐานโสดาบันมาโอ้โหเงินก็เหลื อ, อแต่ก่อนฟุ่มเฟือยใช่ไหมตอนนี้เงินเหลือเวลาแต่ก่อนไปเสียกับอะไรสุรุยสุด่ายไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้โอ้โหเอาเวลาคืนมาได้ทั้งเยอะเอามาใช้ในสิ่งที่เราเห็นเป็นประโยชน์เป็นคุณค่า คุณดูวนนะเสร็จแล้วยังไงข้วนี้ไอ้ที่คุณเคยไปติดๆมาตั้งเยอะตั้งแยะคุณเอาออกได้ใช่ไหม <c ười> คุณไม่ไม่ไปติดไอ้ที่อะไรอะอาหารการกินพวกเนื้อสัตว์พวกอบายมุกพวกขี้เกียจขี้ค้านพวกอะไรต่ออะไรเนะ่ะที่เป็นอบายมุกต่างๆอไอ้หนังละครเพลงอะไรที่เราโอ้โหเคยบ้าขั่งเคยอะไร พวกนี้พอคุณหลุดออกมาได้ขนาดหนึ่งนะแค่ฐานโสดาบันเท่านะคุณติดแป้นได้สบายเลยมีความสุขมากเลยเพราะว่าฐานโสดาบันนี่มีครอบครัวก็ได้ด้วยหมายถึงว่าแต่งงานแต่งกายมีลูกเตา้าเลยด้วยโอ้โหคุณติดหนึบเลยนะเพราะฉะนั้นฐานโสดาบันเนี่ยถึงจะเยอะที่สุดเลยจะมีจํานวนมากที่สุดเพราะเงินก็มีได้ อ, ะอ่ะอ่าครอบครัวก็มีได้อะ่ะ แขกเลยยิ่งเป็นตระกูลโสดาบันด้วยโอ้ยกูเนยยิ่งอันนี้ <c oughs> คือถ้าไม่ใช่ตระกูลโสดาบันด้วยกันนะหมายถึงว่ า, อ, าอะไรอ่ะสมมุติว่ า, าสามีเป็นโสดาบันแต่ภรรยาไม่เป็นอย่างเงี้ยภรรยาเป็นกาญยาชาชนหรือเป็นปูุ่ชนโอ้โหเดี๋ยวคุณเห็นทุกข์อีกคุณเห็นทุกข์อีกคุณก็ไม่อยากเอาอลไรใช่ไหคุณก็อยากที่จะขยับสูงขึ้น แต่นี่ไอ้ที่มันขยับสูงขึ้นไม่ได้บอกแล้วพอมันสบายอะสิแม้คุยกันก็นรู้เรื่องไปวัดก็ไปด้วยกันทำบุญก็ทำบุญด้วยกันเสียสละ่ะอย่างนี้นะอเงี้ยห น, นึบเลยนะคุณ <c oughs> ติดกันหนึบเลยะสลัดออกยากทิ้งยากนะ อ, อันนี้เนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังถ้าคุณตรงนี้คุณเข้าใจคุณจะรู้เลยบออ๋อเป็นเทวดาแล้วมันมันยากอย่างนี้นี่เอง นะไอสิ่งที่ละเอียดขึ้นแล้วนะเรื่องกิเลสเราตัวละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยนะจะเรื่องกามก็ตามเรื่องอปฏิฆะเรื่องเรื่องโทสะก็ตามเรื่องของ m a n ะก็ตามไอตัวที่ละเอียดขึ้นเนี่ยนะคุณจะไม่ค่อยอยากไปเรียนรู้เพราะว่าคุณจะเอาพูดกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องทํางานด้ยวยกันได้เอาแบบว่ามีความสุขอย่างงี้ดีกว่าเนี่ยแล้วมันจะติดแงกอย่างงี้ จะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้ น, นีน่ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ตอนนี้พอขอบวชแล้วน ะ, ะก็ได้เป็นภิกษุณี น, นก็ชื่อกีสาโคตมีบวชแล้วไม่นานก็ได้ประกอบความเพียรจนบรรลุพะระอรหันต์แหมเร็วจังเลยนะเวลาศึกษาเรื่องประวัติเนี่ยภิกษุณี ภิกษุบางทีมาฟังทำแค่กันเดียวบรรลุธรรมอุ้ยเราก็แมมอ่านแล้วบางทีรู้สึกไม่อยากจะเชื่อที่ไม่อยากจะเชื่อเพราะแมมเราลําบากยัง <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกนะมันเป็นจริงเพราะว่าผู้ที่สั่งสมบุญบารมีมาถึงแล้วมามากพอแล้วเนี่ยนะเหมือนพ่อท่านบอกอะ่ะหยดน้ําหยดสุดท้ายอะ่ะพอหยดไปปั๊บมันเต็มขันมันเต็มตุ่มเลย เพราะว่าสั่งสมมามากแล้วเพรา ะ, ะนั้นแค่จะยินได้ฟังแค่นั้นเข้าใจเลยทันทีเป็นบัวที่พ้นน้าแล้วเพียงแค่ได้รับแสงแตะวันสาดส่องมาเท่านั้นนะบัวนี่ก็บานทันทีไอ้ส่วนเราบางทีมันยังดำน้ําอยู่เลยบัว <c oughs> มันยังไม่ค่อยยอมโผพ้นน้ําอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ช้าหน่อยก็ยากหน่อยมันก็ยิ่งต้องเพียรพยายามให้มากขึ้นนะพอบรรลุทำเสร็จใช่ไหมเนี่ยก็เป็นพระอรหรันต์ เป็นภิกษุณีผู้นิยมบงังนิยมใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลหมายถึงผ้าที่ทิ้งแล้วนะผ้าที่เขาเหลือใช้อะไรพวกนี้จากกองขยะอยากเยื่อนะหรือจากป่าช้าหรือว่าเขาทิ้งไว้ตามถนนเอามาทำเป็นผ้าสังคติหรือจีวร อ, อันเก่าเศร้าหมองเนีค่คือคือคือภิกษุกษีสาโคตมีเนี่ย คือนิยมที่จะใช้ผ้าผ้าบางสุกุลผ้าเก่ามันจะมีสองอย่างคือผ้าครือหาบดีผ้าที่เขาแบบว่าผ้าสวยๆงามๆผ้าที่มีราคาเนี่ยเขาให้มาแงผ้าใหม่แต่คืออันนี้ไม่ห้ามนะใช้ได้ถ้าภิกษุจะใช้แต่สำหรับภิกษุณีกิสาโคตมีเนี่ยไม่ไม่นิยมอันนั้นนิยมใช้ของเก่า อันนี้ต้องเป็นพวกสายสมถะสายสมถะจะชอบของเกา่าๆปะๆนะถ้าไม่ปะไม่เท่เอต้องปะปะหน่อยนะเป็นแบบพักกาจกเนี้ยนะถ้ายิ่งปะมากเท่าไหรน่นี่โอโ้โหผู้อาวุศโสพักกาจกเขาเรียกอย่างนั้นนะตามของเขาอันที่นี้ก็พอใช้อย่างนี้ใช่ไหมกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพอพระทยัยในคุณสมบัติ ของการทรงจีวรเก่าเศร้าหมองนั้นจึงทรงแต่งตั้งพระกิสาโคตมีเถรีไว้ในตำแหน่งเอตัทคะในด้านผู้ครองจีวรเก่านี่ก็ได้สมใจแล้วนะเป็นไปตามจริงที่พระพุทธเจ้าอะไรอ่ะปะทุมุตระเหรพยากรไว้ให้พระเถรีนี้ยังมีความชำนาญในในฤทธ์คือเนี่ยบรรลุธรรมแหมมีฤทธ์มีเดช มีทิพระโสดทิทิพระโสดคืออะไรทิพระโสดนะทิพระโสตโสตะโสดก็หูสิถ้าทิพอะไรตาเนี่ยอะไรทิพจกักขุแหมจักสูเนี่ยโอ้เอ้พวกเรา จำผิดจำเพี้ยนกันแล้วมั้งเพราะฉนั้นหูทิพย์หูทิพย์ ห, หมายถึงอะไรหูทิพย์ไม่ใช่หูแบบโอ้นี่ไปพูดอยู่สนามหลวงเราได้ยินอันอย่างนี้ไม่ใช่ะนะนี่ไม่ใช่หูทิพย์แบบในพุทธศาสนาหูทิพย์คืออะไรเขาด่ามาสมมติเขาด่ามารู้ว่าเออนี่เขาด่าผิดหรือว่าเขาด่าถูก แยกแยะได้เสร็จแล้วพอเขาด่ามาปั๊บใช่ไหมกิเลสขึ้นหรือเปล่า อ, อย่างเงี้ยเนี่ยเยสามารถมีหูทิพย์แยกแยะได้รู้อารมณ์รู้จิตเราด้วยฟังแล้วเป็นยังไงถ้าฟังแล้วอ่าอย่างนี้กิเลสแล้วอย่างนี้กิเลสละอ่าก็จะได้แก้ไขไม่ให้กิเลสมันขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหูทิพย์นะสามารถหรือว่าเขาพูดมาเนี่ยอ่าเขาพูดมาร้าย หรือว่าดีแยกแยะถูกอย่างนี้เรียกว่าหูทิพย์แล้วก็มีเจโตปริยาณหมายถึงว่ารู้รู้จิตรู้ใจของคนอื่นได้หรือว่าพูดง่ายๆว่าอะไรอ่ะไม่ใช่รู้แต่ของตัวเองอยังยังเข้าใจจิตใจของคนอื่นเขาด้วยเพราะคนเราเนี่ยคนที่มีกิเลสเนี่ยนะเอาแต่ตามใจตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้ใจคนอื่นสักเท่าไหร่ เพราะไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ว่าเขาเขาเขายังไงอะไรยังไงแต่อันนี้นี่จะมีเจโตปริยญาณ น, นี่รู้จิตรู้ใจคนอื่นเขาด้วยแล้วก็มีคนนี้เนี่ยทิพจักสุนะคือมีตาทิพตาทิพก็หมายถึงเป็นไงเวลาเห็นใครนี่เห็นเป็นกระดูกเลย <laughs> อย่างนี้ไม่ใช่ตาทิพตาทิพคือเออ มองเห็นกิเลสโดยเฉพาะกิเลสเรานะโดยเฉพาะกิเลสเราเนี่ยพอพอพอคิดไม่ดีอะคิดไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะโกรธแล้วโกรแล้วไม่ชอบใจแล้วโอ้โหเป็นเหมือนอย่างกับไอป่องภูเขาไฟเริ่มพ่นควันขึ้นมาแล้วนะในใจรู้เลยมีตาทิพย์เลยเห็นเลยเห็นเลยว่านี่กําลังเกิดโทสะแล้วนะอย่างนี้เขาเรียกว่าตาทิพย์เห็นคนอื่นเนี่ยไม่ยากหรอกคุณเห็นคนอื่นโกรธแล้วเขา อ้าปากมาดาปังงาปังง า, งงาทําไมต้องมีตาทิพย์เอ๋ยอย่างเงี้ยฮ้ก็ไม่ต้องนะก็ใครก็เห็นได้ทั้งนั้นนะใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นตาทิพย์พี่แท้จริงเนะี่ยถึงบอกว่าเห็นกิเลสเราเนี่ยแหละอันเนี้ยชัดเจนที่สุดเพรา ะ, ะนั้นศาสนาพุทธไม่ได้ไปหมายความไอท้ทั่วๆไปแบบลือสีแบบอะไรตาทิพย์อะไรมีตาที่สามโผล่มาเห็นอะไรต่ออะไรนั่นไม่ไม่ใช่ของพุทธ ของพุทธก็คือตาที่สามารถเห็นกิเลสเราได้ชัดเจนรู้เลยว่านี่กิเลสเกิดขึ้นแล้วจะจัดการยังไงก็จัดการนะเนี่ ย, ยมีฤทธิ์หลายอย่างเลยสามารถทำอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์หมดมนทินด้วยดีปรงภาระอันหนักลงแล้วถอนตัณหาอันนำไปสู่พบแล้วได้บรรลุประโยชน์คือ ความสิ้นสังโยชน์สิ่งสังโยชน์มถึงกิเลสที่มัดใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยาสามารถที่จะตัดออกไปได้หมดมีความรู้แตกฉานทั้งสี่ด้านมีความสามารถมากนะพระอรหันตภิกษุณีรูปนี้มีความสามารถรู้แตกฉานในเนื้อหาสาระเนี่ยรู้แตกฉานในธรรมะรู้แตกฉานในภาษา รู้แตกฉานในไว้พิปฏิพานต่างๆเนี่ยสี่ด้านเราเรียกว่าปฏิสัมพิธาเนี่ยจะมีความสามารถสูงเช้าวันหนึ่งพระเถรีกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปยังป่าอัมทวันนั่งพักอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งขณะนั้นมารผู้มีบาปต้องการให้พระเถรีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าว แล้วให้เคลื่อนจากสมาธิจึงหลอกล่อว่าเ ด, วเดี๋ยวเดี๋ยเข้าใจใหรือเปล่าคําว่ามันมันมันม า, ม า, มาหลอกล่อเนี่ยมานี่คืออะไรอ่ามันนี่ก็คือจิตที่มันไม่ดีของเราเนี่ยหรือว่าจิตอกุศลจะเป็นสัญญาเก่าก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับสัญญาเก่าของของพระอาหารหันต์ภิกษุณีรูปเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอ่ามันก็มาหลอกล่อว่า ท่านผู้มีบุตรที่ตายแล้วมานั่งอยู่คนเดียวมีหน้าเหมือนคนร้องไห้มาอยู่กลางป่าตามลำพังไม้สแสวงหาบุรุหรือหนอคือพูดง่ายว่าลูกตายแล้วใช่ไหมมานั่งตรงเนี้ยเออม า, ม า, ม, ามาเดี๋ยวคอยดูซินะจะได้ใครเป็นสามีไมมจะได้มีลูกอีกอะไรเงี้ยนะก็มาหลอกล่อละพระเถรีรู้เท่าทันนี่คือมารผู้มีบาปมาดนใจ จึงตอบกับมารไปว่าเราเคยมีบุตรตายแล้วแม้คนทั้งหลายก็จะมีความตายเหมือนบุตรของเราเช่นกันเราจึงไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายนั้นเลยความเพลิดเพลินในส่วนทั้งปวงเราก็กำจัดแล้วกองมืดแห่งอัตวิชาเราก็ทำลายแล้วเราชนะความตายแล้วไม่มีอาสวะเลย เราชนะความตายแล้วไม่มีกิเลสอะไรเหลืออยู่อีกแล้วอาสวะนี่แปลว่ากิเลสแต่ใช้คำว่าชนะความตายอะไรตายออคือกิเลสนี่ตายหมดเกี้ยงแล้วไม่เหลือแล้วราคะโทสะโมหะอะไรต่างๆมันเป็นผู้ที่ชนะความตายแล้วมารผู้มีบาปได้ยินอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เสียใจนะก็คิด นะมานมันคิดของมันนะนะว่ า, าพระกิสาโคตมีเถรีนี้รู้ทันเราเสียแล้วจึงได้อันตรธานหายไปจากที่นั้นหันจิตใครเนี่ยมีมีสติมีสมาธิที่หนักแน่นมั่นคงพอเวลามานมันมาดนใจเราอะ่ะจิตใจติมดีไหมเนี่ยตั้งตบาบะไว้แล้วน่นเนี่ย <c oughs> สมมุติว่ามามันมาดนใจปับ๊บอ่ามีตาทิพรู้ให้ทัน ร, รู้เสร็จอ่านี่มามันมาหลอกเราเนี่ยนะนี่ตะบะเรานี่จะออกพรรษาอยู่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้แล้วเหรออีกห้าวันยังเหรอเอออย่าให้มามันมาโดนใจนะอย่าให้มามันมาหลอกได้เออถ้าอย่างนี้เราก็เราเราปราบมันได้อะ่ะนะเราเรามีสั ม, มาทิทฐิเราพิจารณาเป็นธรรมวิจัยที่ถูกทางถูกต้องขึ้นมามานก็จะอันตรธานหายไป นะเพราะวันนั้นก็จะเดินผ่านไอศครีมได้เฉ ย, ยเลยรับรองว่าไม่กินแน่อรอให้พ้นภ ร, รษาก่อน <laughs> <laughs> บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะรอให้พ้นภ ร, รษ า, <laughs> าก่อนอก็แล้วแต่ <laughs> อ่ะจวนจะจบอยู่ละนะ <laughs> เสียงแล้วก็เลยเนี่ยามาอมนนี้ก็โดนรถโดนไล่หนีไปหรือโดนปราบไปแล้ว พระเถรีนั้นได้เป็นผู้ที่กิเลสทั้งหลายถูกเผาผลาญสิ้นแล้วพบทั้งปวงถอนได้แล้วตัดกิเลสเครื่องผูกพันทั้งหลายได้แล้วอยู่อย่างไม่มีกิเลสดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระเสรีภาพฉะนั้นนะนี่ก็จบนะซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็ ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะโดยเฉพาะเรื่องของความตายเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจฝากพวกเราไปไปฝึกไว้ละกันเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะต้องพลัดพากอะไรยิ่งโดยเฉพาะไปสังเกตสิ่งที่รักสิ่งที่หอบหวงบุคคลก็ตามข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ตามที่เรายิ่งรักยิ่งห่วงอะ่ะหัดสละออกไปซิหัดไปพลัดพาก แล้วก็ฝึกทำจิตทำใจนะให้มันนิ่งให้มันสงบนะหาเหตุผลที่ดีๆที่เป็นกุศลเนี่ยเอามาร้างจิตล้างไอ้ความหอบผวงความอะไรอาวรความเสียดายเนี่ยทิ้งให้ได้ถ้าใครฝึกได้บอกได้เลยวันไหนคุณใกล้จะตายหรือวันไหนคนที่เรารักเนี่ยก้ยจะตายจากเราไปหรือสิ่งของไหนจะผุพัง แตกหักทำลายจากเราไปคุณจะไม่เศร้าโศกเลยเพราะคุณได้ฝึกทำใจไว้แล้วนะอะวันนี้คงฝากไว้จนนี้นะ